สองรรวมเรื่องที่มีในโกสัมพิกะขันทะกะโกสัมพิกะขันทะกะมี14เรื่องคือเรื่องสมเด็จพระชินวรประทับในกรุงโกสัมพีภิกษุทะเลาะวิวาทกันเพราะไม่เห็นว่าเป็นนาบัตและลงอุกเขปนิยกรรมแก่กันเพราะเหตุเล็กน้อยเรื่องพระผู้มีพระภาคทรงแนะนําให้ภิกษุแสดงอาบัต เรื่องพวกภิกษุประพฤติตามภิกษุผู้ถูกลงอุกเขปนิยกรรมรำอุโบสถภายในสีมาเรื่องท่านพระพัคุอยู่ณพาลกะโลนกะคามเรื่องท่านพระอนุรุธทธะท่านพระนันทีและท่านพระกิมพิละอยู่ณจีนวังสะทายวันเรื่องพยาช้างปาริลายกะ เรื่องทรงแสดงเหตุแห่งความแตกแยกแก่ท่านพระสารีบุตรนกรุงสาวัตถีเรื่องทรงแสดงวิธีปฏิบัติต่อพวกภิกษุผู้กอ่อความทะเลาะวิวาทท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาโมคคลานะท่านพระหมหากัสปักท่านพระหมหากัจจา น, นะท่านพระหมหาโกติตตะท่านพระมหากปินะท่านพระหมหาจุนทะท่านพระอนุรุทธะท่านพระเรวตะ ท่านพระอุบาลีท่านพระอนนท์ท่านพระราหุลพระนางมหาประชาบดีโคตมีอนาถบินิกะขาหะบดีและนางวิสาขามิคารมาตาเข้าเฝ้ากราบทูลถามวิธีปฏิบัติเรื่องให้เสนาสะนะที่ว่างแก่พวกภิกษุผู้ก่อความทะเลาะวิวาทเรื่องจัดเสนาสะนะให้ว่างสำหรับพวกภิกษุ ผู้ก่อความทะเลาะวิวาทเรื่องแบ่งอามิ t h ให้เท่าเท่ากันเรื่องวิธีและกรรมวาจาทำสังคสามคีเรื่องทรงแสดงสังคสามคีสองอย่างแก่ท่านพระอุบาลีเรื่องไม่ถูกตำหนิดโดยศีลโกสัมพิกะขันธกะจบมหาวัคจบ บริบูรณ